ตอนนี้ที่ประเทศอเมริกามีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีคนกล่าวถึงแล้วก็แพร่หลายเป็นหนังสือของเป็นอัตชื่อประวัติของอผู้ชายคนหนึ่งคนเขียนนี่หรือเจ้าของประวัติอายุ 99ปนะีเป็นหนังสือเล่มแรกของเขานะเขียนหนังสือเล่มแรกเมื่ออายุ99ปีนะนี้ก็ก็เป็นเรื่องแปลกแล้วเพราะว่าคนอายุ99ปีนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีเรื่องมีแรงเขียนหนังสือแล้วหรือว่าแม้แต่จะมี สติปัญญาพูดคุยกับใครก็ไม่มีแล้วเพราะว่าความจำเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าถึงจะปกติดีก็คงไม่อยากจะเขียนหนังสือแล้วล่ะเพราะการเขียนหนังสือเป็นเรื่องยากนะสำหรับคนแก่อายุเกือบร้อยปีอยู่สบายสบายดีกว่า้นะาที่น่าแปลกใจยิ่งนั้นก็คือว่า คุณปู่คนนี้นี่พึ่งอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้เมื่ออายุเก้าสิบสองปีหรือเพื่อถูกเพื่อพึ่งเริ่มเขียนหนังสือเริ่มอ่านหนังสือเป็นเนี่ยตอนอายุเก้าสิบสองปีก่อนนั้นนี้เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนะอันนี้เกิดขึ้นในประเทศอเมริกานะที่น่าสนใจคือว่าทําไมถึงมาเริ่มต้นอ่านหนังสือ เมื่ออายุ912ปีนะเพราะว่าก่อนนั้นๆ ก, ก, ก, ก็ก็อยู่ได้เขียนหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกก็อยู่ได้มาจนถึงอายุ912ปีทําไมถึงเริ่มมาคิด อ, อ, อ่านหนังสือคิดเรียนหนังสือนะอันนี้ก็น่าสนใจเขาก็เล่าว่า เล่าถึงประวัติของเขาว่ า, าการที่เขาเขียนหนังสือไม่ได้อา่านหนังสือไม่ออกนี่มันเป็นเพราะอะไรก็เมือนคนส่วนใหญ่ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คือว่าเกิดในครอบครัวที่ยากจนเรียนหนังสือแค่ป .3 ก็ต้องออกจากโรงเรียนพ่อพ่อแม่ยากจนต้องให้ลูกมาทำงานไอตอนเรียนอยู่ป .3 นี่ก็ ไม่ค่อยขยันเรียนเท่าไหร่ด้วยที่จริงถ้าจบป .3 ก็พอจะอ่านออกได้บ้างแต่นี่ก็อ่านไม่ค่อยออกแล้วก็ตอนที่ออกมาทำงานก็มีโอกาสเข้าห้องเรียนบ้างแต่ว่าก็เรียนอะไรไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเด็กโต เป็นเด็กโตก็ให้ให้ให้ผ่านเลยนะเขียนหนังสือไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ให้ให้ผ่านให้เลื่อนชั้นเหมือนเมืองไทยเลยนะเด็กนี่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ครู ก, ก็ให้เลื่อนชั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีขึ้นมัธยมแล้วก็ยังอ่านไม่ออ ก, กเหมือนกันเลยแต่เนี่ยมันเป็นอเมริกาเมื่อ แต่เก้าสิบปีที่แล้วนะมันไม่ใช่เมืองไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามันลำบากมากนะอยู่ในสองคนอเมริกานี่เวลาไปสอบใบขับขี่ต้องเขียนใบสมัครก็เขียนไม่ถูกที่จริงอ่าน ใบสมัครก็อ่านไม่ออกด้วยซ้ำเพื่อนก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าคนนี้เข า, าเขาเป็นชาวประมงเขาจับปลากเก่งนะคือก่อนที่จะมามาสอบใบขับขี่นี่ก็ไปทำงานเป็นชาวประมงชาวประมงนี่มันก็ไม่ต้องรู้ภาษารู้หนังสือมากนะขอให้มีฝีมือก็พอ แต่พอจะขับรถในเสนนะี่มันต้องสอบเอาใบขับขี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยนี่ไม่ต้องสอบก็ได้ซื้อเอาแต่เมืองนอกนี่ซื้อไม่ได้นะต้องไปสอบจะไปสอบก็ต้องสมัครเขียนใบสมัครแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยอมให้เพราะเรียกว่าอารมณ์มันรวยกันคงเห็นว่าไม่สำคัญเวลาจะไปซื้อเวลาไปกิน ข้าวในร้านอาหารเขาก็มีเมนูมีรายชื่อรายการอาหารอ่านไม่ออกก็ต้องทำทีว่ า, วากาลังอาา่านหรืออ่านออกนะแต่ก็คอยชำเลืองดูว่าโต๊ะข้างๆนี่เขาสั่งอะไรก็สั่งตามเขาแต่งงานนี่เมียก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอ่านหนังสือไม่ออกเวลาจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ อ่าไม่ออกว่าตกลงค่าน้ําค่าไฟมันเท่าไหร่บ้างแล้วจะจ่ายยังไงจ่ายเงินที่ไหนเรียกว่าชีวิตนี้อับอายขายหน้าแล้วก็ลําบากมากแต่ตอนน่อหลังก็ต้องสารภาพกับเมียว่าอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็มีเมียคนเดียวที่รั่วเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็อยู่ได้นะแต่อยู่ได้ด้วยความลําบากนะแล้วก็อยู่ได้ด้วยความอับอายเวลาเพื่อเวลาคนอื่นเขารู้ว่าอ่านหนังสือไม่ได้ แต่ว่าทำไมถึงมาคิดอ่านหนังสือตอนอายุเก้าสิบสองก็เพราะว่าหลานเนี่ยหลานตัวเล็กๆเนี่ยนะหลานนี่ยื่นคำขาดกับปู่ว่าต่อไปนี้จะไม่คุยโทรศัพท์กับปู่แล้วปู่ต้องเขียนจดหมายมาอย่างเดียวเฝรั่งนี่เขาไ ม, ไม่ไม่ไม่เขียนจดหมายถึงกันแล้วนะเขาใช้วิธีโทรศัพท์ มันง่ายมันถูกมันสะดวกมันเร็วแต่ว่าหลานนี่รู้ว่าปู่ไม่เขียนไม่ได้ก็อยากจะช่วยปู่นะก็เลยยื่นคำขาดกับปู่ว่าถ้าจะไม่รับโทรศัพท์จากปู่แล้วนะปู่ต้องเขียนจดหมายมาอย่างเดียวหลานนี่ก็ยื่นคำขาดด้วยการเขียนจดหมายถึงปู่ด้วยนะไม่ได้โทรศัพท์บอกปู่ เขียนจดหมายปู่ก็อ่านไม่ออกหรอกนะต้องให้คนอื่นอ่านให้แล้วก็รู้ว่าอ๋อหลานนี่เขาไม่รับโทรศัพท์แล้วปู่ก็เลยเกิดความเพียรนนะก็เรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้นะมันก็มีน้อยนะคนที่มาเริ่มเรียนหนังสือตอนอายุเก้าสิบสองเพราะว่าจะตายแล้วเนี่ยจะเรียนทําไมนะคนมักจะให้ผลแบบนี้นะ แต่นี้เขาคิดว่าเขาก็ยังอยู่ได้อีกหลายปีเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือจะได้เขียนจดหมายถึงพูดคุยกับหลานได้วันนี้พอเขียนแล้วนี่ก็เออรู้สึกว่าชีวิตมันสะดวกขึ้นนะไปไหนมาไหนก็สบายเพราะว่าที่ไหนที่ไหนเขาก็ต้องใช้การอ่านหนังสือทั้งนั้นนะเช่นป้ายสัญญาณ ป้ายโน่นป้ายนี้ก็ต้องอ่านออกแต่ว่าคนที่เขียนหนังสือเริ่มเขียนหนังสือเป็นอายุกำังสองนี่ที่จะมาหัดเขียนหนังสือพิมพ์ขายนี่มันก็มีน้อยนะนี่รู้หนังสือได้แค่เจ็ปีก็เขียนหนังสือมาเป็นเล่มได้ที่จริงก็ไม่หนานะครับแปดสิบหน้าแต่มันก็เห็นได้ว่าชีวิตคนเรานี่มันเริ่มต้นได้ตลอดเวลาไม่มีคําว่าสาย บางคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้อายุประมาณสามสิบก็บอกว่าเอยสายไปแล้วนะเลิกดีกว่านะเลิกความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือในเมืองนอกนี่มันมีคนแบบนี้เยอะนะเป็นคุณยายเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ยังไปไปเรียนหมหาวทยาลัยนะพอเขาได้คิดว่ า, าการมีวิชาวความรู้นี่มันสำคัญ นั่นอยไปคิดว่าแกแล้วนี่สายไปนะนอกจากอ่านออกเขียนได้แล้วชีวิตเรายังมีอะไรหลายอย่างที่ควรทำเช่นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะอันนี้ก็สำคัญมากบางคนบอกว่าโอ๊ยอายุมากแล้ว90กว่าแล้วสายไปแล้วที่จะปฏิบัติธรรมสายไปแล้วที่จะเข้าวัดนะหรือบางคนก็ประมาทนะ อย่างมีนายตำรวจนี่พยายามขอให้แม่เข้าวัดมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมพาะแม่อายุเก้าสิบปีอยากให้แม่มาศึกษาธรรมะเพราะว่าจะได้รับมือกับความตายได้จะได้ไม่กลัวตายแม่นี่ก็ไม่อยากไปก็ให้เหตุผลว่า ว่ยังอยู่ได้อีกนานนะวันหลังก็ได้นะเนี่ยผัดผ่อนคิดว่ายังมีเวลานะ90 90ปีก็จริงนะแต่ว่านี่เป็นความประมาณแต่เวลาเวลาอยากกินอาหารที่ลูกไม่อยากให้กินอยากกินพวกไขมันไอ้พวกที่มีมันเยอะๆก็จะวิงวอนขอลูกว่า ลูกนะแม่พอโล่แม่ก็อยากกินขาหมูแม่ก็อยากกินมันกะทิแม่ก็อยากกินให้แม่กินเถอะนะอีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วนะั่นเธอเวลาจะกินของชอบนี่ก็อ้างว่าจะตายในวันนี้วันพรุ่งของกินเธอแต่เวลาจะลูกชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็บอกโอย้ยังอยู่ได้อีกหลายปีไนงะเนี่ย กิเลสคนที่มันฉลาดนะหาเหตุผลให้เราเชื่อได้นะแล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าไอ้ของ ด, ดีที่น่ารำที่ควรทําก็ผัดผ่อนนะปฏิบัติธรรมหรือว่าการศึกษาหาความรู้ผัดผ่อนแต่ว่าไอ้ของที่มันถูกกิเลสถูกใจนี่รีเข้าหาเลยนะ ไม่รู้จักผัดผ่อนลืไม่รู้จักจับยั้งชั่งใจแนตะ่ ว, ว่าคุณปู่คนนี้แกก็เป็นเป็นเป็นกรณีที่น่าสนใจนะว่าชีวิตคนเรานี่มันไม่สายเกินไปที่จะทำอะไรดีๆการศึกษาหาความรู้นะหรือว่าการทำความดีการศึกษาการปฏิบัติธรรมมันทำได้ทุกเวลา แม้แต่เวลาเจ็บเวลาป่วยแล้วก็ยังไม่สายนอนอยู่ในโรงพยาบาลแลวนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ยังไม่สายนะที่จะศึกษาธรรมะบางคนก็ไปคิดว่าโอ้มันหมดหมดโอกาสแล้วหมดหวังแล้วนะก็เรียกว่างอมืองอาเท้าเสร็จ แ, แล้วก็ทุกทรมานความเจ็บความป่วยความตายมันก็ มามาบีบคั้นนะมาคุกคามคนที่เขามาเห็นทำได้ตอนเจ็บตอนป่วยนะก็มีเยอะหรือว่ามาเข้าวัดปฏิบัติหรือว่ามาศึกษาปฏิบัติทำตอนเจ็บตอนป่วยนี่ก็มีเยอะแต่ว่าอย่าไปรอถึงตอนนั้นเพราะหลายคนเนี่ยทาเพราะว่าถูกความทุกข์บีบคั้น คนเรานี่ถ้าทำอะไรก็ตามเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นนี่มันถึงแม้จะเป็นการทำความดีแต่มันก็ลำบากนะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าหนึ่งทำความดีเพราะกลัวความทุกข์จะเกิดขึ้นกับตัวหรือสองเพราะว่าถูกความทุกข์บีบคั้นแล้วความทุกข์มันมาในรูปไหนมาด้วยความเจ็บป่วยบ้างมาในรูป อธุรกิจล้มละลายบ้างผัวทิ้งเมียทิ้งบ้างอกหักบ้างส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเวลาสบายนี่ก็ไม่สนใจเพลิดเพลินในความสุขแต่ก็ยังดีนะที่ยังพอมีความทุกข์บีบคั้นแล้วก็มองหาธรรมะมันก็ดีกว่าคนจำนวนไม่น้อยที่ พอถูกความทุกข์บีบคั้นแล้วก็ไปหาอบายมุกเป็นทางออกนะหรือไม่ก็ไปทำร้ายคนอื่นเดี๋ยวนี้มันมีคนประเภทหนึ่งนะที่รู้สึกว่าชีวิตนี้มันหมดหวังชีวิตนี้มันทุกข์เหลือเกินอยู่ก็ทุกข์นอนก็ทุกข์มันไม่ได้ทุกข์ทางกายนะทุกข์ทางใจเขาเรียกเป็นพวกซึมเศร้า เป็นพวกซึมเศร้าที่ทุกขณะที่อว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะฆ่าตัวตายและพวกนี้ก็ที่ฆ่าตัวตายก็เยอะแต่ว่าที่หนักกว่านั้นคือว่าไปฆ่าคนอื่นคือพอทุกข์มากๆเนี่ยก็ไปโั่ว่าคนอื่นทำให้ทุกข์โลกทั้งโลกนี้ทำให้กูทุกข์ ให้กูจะต้องแก้แค้นโลกทั้งโลกนี้ก็ไปเอาปืนมายิงในอเมริกาในหลายประเทศเนี่ยที่หาปืนง่ายเนี่ยมันจะมีคนประเภทนี้โดยเพราะอเมริกานี่หาซื้อปืนง่ายมากทนี้เราจะได้ข่าวที่ประเทศอเมริกานี่มีคนคนที่เรียกว่าคุ้มครั่งเอาปืนไปยิงนักเรียนตายสิบยี่สิบคนยิงคนในโรงหนังบ้างตายกันเป็นสิบยี่สิบคน พวกนี้นี่ส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่เรียกว่าซึมเศร้าชนิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าแทนที่จะฆ่าตัวตายก็ไปเลือกยิงคนอื่นแทนเพราะไปคิดว่าคนทั้งโลกเนี่ยเป็นสาเหตุตัวการทำให้ตัวเองทุกข์อันนี้เรียกว่าถูกความทุกข์บีบคัน้นแต่ว่าบีบคั้นแล้วมันไปทำชั่วคนเหลานี้ถ้าถูกความทุกข์บีบคั้นแล้วก็มองหาธรรมะ เชื่อว่าธรรมะเป็นทางอ่อนนี่ก็ยังดีนะถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากความประมาทสักหน่อยคือต้องทุกข์เสียก่อนถึงจะหันหาธรรมะก็ยังดีแต่ถ้าดีกว่านั้นคือว่ายังไม่ทุกข์แต่รู้ว่าทุกข์มารอยอยู่ข้างหน้าแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายรอยอยู่ข้างหน้าแล้วก็เกิดความได้คิดขึ้นมาหันเข้าหาธรรมะในขณะที่ยังสุขภาพดีในขณะที่ยัง ยังมีทุกอย่างในชีวิตนะเรียกว่าเตรียมพร้อมไว้นะถ้าคนไทยเราเนี่ยทำแบบนี้มันก็เตรียมพร้อมเรื่องรับมือกับน้ำท่วมเนี่ยโอ้มันจะดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยน่าจะไม่ท่วมยังไม่มาเลยนะเตรียมตัวรับมือกันเต็มที่อันนี้ส่วนหนึงก็พระ ก, กลัวนะเพราะเคยเจอมาแล้วนะถ้าเราเตรียมตัวรับมือกับความทุกข์ทางใจแบบนี้บ้างนะมันก็จะทาให้เราสามารถจะ ผ่านพ้นเหตุร้ายไปได้แล้วก็เตรียมตัวรับพร